พันที่ทีสิบหกพฤาคพศสองพนหร้อยสี่สก า, าาการบรรยายพระ ส, สูตรอภิสมยสังยุตปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโภธิศภาท่านสาธุชนที่เคารพในช่วงหลังนี้จะบรรยายสรุปปฏิจจสมุปบาทโดยเก็บเนื้อหาจากพระสูตรจำนวนหนึสูตร มาพิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆให้ละเอียดชัดเจยนยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้จะนำเอาประเด็นที่ได้ขึ้นไปที่หัวเอกสารว่าประมวลปฏิจจสมุปาทิโดยจำนวนองค์จำนวนองค์ก็หมายถึงปฏิจจะในแต่ละวงของการเทศนานั้นส่วนใหญ่จะทรงแสดงปฏิจจะองค์สิบสองหรือสิบสององค์ มีอวิชชาเป็นที่หนึ่งแล้วก็ชลามรณะเป็นที่สิบสองอผมก็ได้ทำที่อ้างอิงไว้เป็นสูสตรแล้วก็คราวหน้าจะเอาสารบันสูตรที่แสดงโดยสังเกตทั้งหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สูตรเนี่ยครับมาแจกเพื่อจะได้รู้ว่าสูตรหนึ่งสองสามมันคือสูตรอะไรและมีเนื้อหาโดยสรุปว่าอย่างไรก็จะมีหน้ากระดาษอยู่ประมาณสิบห้าหน้า 15นะหน้ากระดาษจะได้ถือประกอบในการศึกษาในเชิงพิเคราะห์แง่โมลต่างๆถัดลำดับจากนี้ไปในนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งฮี่จนวนองค์ก็จะได้ดูว่าที่ทรงแสดงปฏิจจาองค์12มีกี่แบบก็ตอบด้วยว่ามี2แบบนะครับ2แบบด้วยกันแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีองค์ที่ไม่ครบ12 ที่เริ่มโดยอวิชชาบ้างเริ่มโดยสังขารบ้างเริ่มโดยยินญาณบ้างเริ่มโดยนามรูปบ้างเริ่มด้วยสลายจิตนาบ้างเรือหรื อ, รอเริ่มโดยภาษาโดยตัณหาอันนี้ก็เท่าที่มีก็มีอยู่เท่านี้ปฏิจจาที่ไม่ครบถึงสององค์เนี่ยทรงแสดงเริ่มที่อวิชชาแล้วก็แสดงองค์เดินไปตามสมควรแต่ไม่ครบมากบางน้อยบางต่างกับทีอีก นี่เป็นเป็นเรื่องของการแสดงโดยองค์อีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นหนึ่งที่อยู่ในหน้าสองประมวลปฏิจจสมุปบาทโดยเทศนาวาระคำว่าเทศนาวาระหมายความว่าการแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นทรงแสดงตั้งแต่ต้นไปหาปลายก็มีคือองค์หนึ่งไปหาองค์2สองแล้วแสดงจากองค์สิบสองมาหาองค์หนึ่งก็มี แล้วก็นอกจากนั้นยังทรงแสดงสายเกิดสายเกิดหมายถึงว่าสายสังสารวัตอวิชาเกิดสังขารเกิดเนี่ยสังสารวัตเกิดโดยลําดับอย่างนี้สายดับที่เรียกว่านี้โลหทวาระเนี่ยครับก็คือเมื่อวิชาดับสังขารดับนี่เรียกว่าเป็นสายดับก็เอามาคลุกเค้าออกมาเป็นสี่แบบเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะนี่พูดอย่างกว้างๆก่อนอแม้องค์ที่ไม่ได้แสดงโดยสิบสองก็มีแสดงสายเกิดแสดงสายดับ ไปจนกระทั่งถึงประเด็นสุดท้ายเลยครับที่ถือว่าเเรื่องพิเศษมากในหน้าสุดท้ายเลยแผนสุดท้ายที่เป็นแผนภูมิอย่างพิเศษหน่อยเนี่ยครับคือนิโรธวาระที่เชื่อมต่อแล้วแยกต่างจากสมุทยาวาระข้อนี้หมายความว่าโดยปกติสายเกิดกับสายดับเนี่ยจะทรงแสดงในลักษณะคือสายเกิด กล่าวว่าวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารไปจนกระทั่งถึงชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะนี่เรียกว่าสายเกิดสายดับก็แสดงกลับกันว่าเพราะวิชาดับสังขารดับไปจนถึงพระชาติดับชรามรณะดับเนะนี่ก็คือไม่ทิ้งชื่อเดิมนะยืนในร่องรอยเดิมในชื่อเดิมแต่เพียงพูดในมุมกลับในภูมดับแต่ปฏิจจที่ทรงสแสดงตรงนี้ <c oughs> ได้สแสดงสายดับเป็น เป็นชื่อองค์จำนวนองค์ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็แสดงว่าสายดับกับสายเกิดและมีจุดเชื่อมต่อกันอยู่ว่าเราจะดับปฏิจจ์ก็ต้องอาศัยปฏิจารสายเกิดมาเป็นจุดเริ่มต้นของการดับแล้วก็พัฒนาสภาวะของการดับไปเรื่อยก็จึงแสดงตั้งแต่อวิชาไปจนกระทั่งถึงขยะยา นี่เป็นปฏิจจาสายดับอันนี้ถือเป็นเรื่องเป็นเรื่องวิเศษนะครับเราย้อนกลับมาดูการประมวลปฏิจจสมุปาโดยจำนวนองค์เนี่ยคำว่าประมวลหมายว่าประมวลมาจากอาภิสมัยสังยุตหนึ่งร้อยสี่สูตรนั่นเองและประมวลในแง่ของการชักองค์ออกมา ปฏิจจะที่แสดงตั้งแต่อวิชชาจนถึงชรามรณะชื่อว่าเป็นปฏิจจที่แสดงครบองค์เพราะครบสุบสององค์ปฏิจจาเนี่ยโดยสมบูรณ์มีสิบสององค์นี้เท่านั้น <c oughs> ก็ได้แก่อวิชชามนี่เป็นองค์หนึ่งสังขารองหนึ่งวิญญาณองค์หนึ่งนามลูกสลายเนะปัสสาะเวทนาสัญญาอัตตันหาอุปาทานพบชาติชร า, ามรณะเป็นองค์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เนี่ยองนี้ก็นับแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวในเป็นองค์ปฏิจจะที่แสดงไว้ในสูตรใดก็ตามที่มีชื่อขององค์สิบสององค์นี้ปรากฏอย่างเต็มเต็มก็เรียกว่าแสดงครบสิบององค์ก็มีอยู่ในสูตรส่วนใหญ่เลยครับที่อ้างถึงได้แสดงไว้โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่สูตรหนึ่งถึงสูตรสิบเอ็ดเป็นต้นเนี่ยนะและอีกที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ในสูตรเดียวก็คือสูตรสุดท้ายเมื่อคียถือว่าเป็นปฏิจจารสิบสององค์เหมือนกันต่างกันที่พอมองออกมาทราบว่าต่างที่ไหนต่างกันที่องค์สุดท้ายองค์สุดท้ายโดยทั่วไปจะตรัสเรียกว่าชาลาและรนะเราก็อาจจะเติมสอยเติมรายละเอียดว่าชด า, รามรนะโสกาบริ เซวาตุกตรมนัสอบายญาตเนี่ยแต่ในสูตรนี้จากชาติซึ่งเป็นองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบสองตลัดเรียกว่าทุกเพราะว่าชรามรณะก็ถือเป็นทุกขนั่นเองหลายๆสูตรบางทีพูดปนกันเลยพูดปนว่าทุกคือชาติคือชรามรณะอะ ไอ้เรื่องเรื่องจำนวนองคกับเรื่องการรวมองค์แยกองคเนี่ยผมตั้งใจจะจะพูดข่าวหน้านะฮะเพราะปฏิจจ า, างทีคนละองค์กันในบางสูตรท่านเอามารวมองค์เดียวกันอย่างเช่นในนี้ก็พอเห็นเจลาอย่างชาติชาลามระเงี้ยบางทีก็รวมองเดียวกันตัณหาอุปาทานที่มารวมองค์เดียวกันนี่เรียกว่า อ, อสแสดงหลายหลายองไว้ในองค์เดียวแล้วบางทีองค์เดียวกันแต่ว่าสแสดงคนละชื่อแต่เนื้อหาเป็นองค์เดียวกัน เป็นเป็นสภาวะอันเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเจตนากับสังขารก็คือองค์เดียวกันเพราะว่าเจตนาก็คือสังขารสังขารคือเจตนาเจตนาคือความจงใจในการทําบุญทําบาปเนี่ยแล้วก็มีองค์อื่นที่ที่ทแบ่งชื่อแล้วบางบางทีเนี่ยท่านแสดงสภาวะองค์แสดงองค์โดยสภาว ะ, ะวิชาเนี่ยแสดงโดยสภาวะ แต่บางแห่งเนี่ยทรงแสดงโดยบุคคลาทิฏฐานคือตรัสว่าผู้มีอวิชชานี่เรียกว่าแสดงโดยบุคลาทิฐานบางครั้งเนี่ยทรงตรัสเรียกว่าพระขีนาศบเลยแปลว่าผู้ไม่มีอวิชชาผู้ล า, าวิชาเป็นเป็นองค์ดับนะสายดับว่าอาวิชาดับเนี่ยแทนที่จะเรียกว่าวิชาดับเขเรียกว่าพระขีนาศบพระขีนาศบเป็นผู้มีวิชา ย่อมไม่ก่อสังขารสังขารของพัจจุบันนี้จึไม่มีอ่าอันนี้เป็นการพูดแบบอ่โดยปุคลาที่ฐานคตธรรมาที่ฐานอซึ่งซึ่งในครั้งนี้ยังยังไม่ได้พูดถึงนะฮะเพียงแต่เพียงพูดพาดพิงไปถึงข้ามหน้าหน่อยก็เป็นนานว่านับองค์สิบสองเนี่ยผมก็ไม่อธิบายอะไรนะครับนอกจากชี่อเ้็นกาสังเกตมาพูดถึงองค์ที่ไม่ครบสิบสองหลังจากนี้ไม่ครบสิบสองเลย องที่ในสูรสิบสองนั้นหลายๆสูตรทรงตรัสเริ่มด้วยอวิชชาสแสดงเริ่มที่อวิชชาคือในยนหนึ่งที่สูตรสิบเอ็ดตรัสอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาสูตรที่สิบเอ็ดตรงนี้นะผมจะไม่อธิบายว่า ที่มาที่ไปยังไงนะใรับจะจะพิจารณาเอาไว้เพราะว่าตั้งใจว่าจะยังจะมีอีกประเด็นหนึ่งทําท่าว่าจะคราวหน้าจะไม่ไม่หมดจนได้แหละเรียกว่าลีลาของการแสดงปฏิจจ์บางทีเราแสดงเนี่ยแสดงตรงนี้ตวัดไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ที่มาที่มาว่ามาจากอะไรอต้นต้นเรื่องเนี่ยบางทีมาจากคนเห็นผิดมาถามเนี่ยไอ้ตรงนั้นเป็นต้นเรื่องเลยมาจากคําถามบ้าง หรือมาจากอาหารสีบ้าแล้วก็ค่อยๆเจาะเข้ามาหาอาวิชาเจาะเข้ามาหาตัณหาแล้วก็ตวัดไปตวัดมางั่นถ้าถ้าเราพูดไปถึงจุดนั้นก็จะนับว่ารูปแบบของปฏิจจาเนี่ยเราได้เข้าใจอย่างน่าจะครบถ้วนดีที่สุดนะฮะแล้วก็ยังจะมีเรื่องอธิบายความเชื่อมองค์ระหว่างองค์เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งนึกว่าไม่พูด น, ะน่าจะไม่ได้ ถ้าขืนไม่พูดแล้วปล่อยเลยไปเนี่ยจะย้อนกลับมาอีกทีท่าจะยากครับยากเลยกันทั้งคู่นะก็เลยกลับมาจากอินเดียแล้วยังจะขอพูดต่ออีกทีมามาดูอีกในยันหนึ่งครับจากในสูตรสิบเก้าที่อ้างไว้ในตอนท้ายรูปแบบนะตรัสว่าอาวิชาและตันหาเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงขงมวดอวิชากับตันหาเนี่ยมาไว้ในองค์เดียวกัน ทำไมเพราะว่าอาวิชากัตั์หานะมีฐานนะเป็นมูลของสังสารวัติปฏิจจาเนี่ยมีมูลอยู่สองมูลหมายถึงกิเลสตัวหลักต้นเหตุตัวหลักได้แก่อวิชาตันหนึ่ ง, หหงเวลาแสดงสมูทัยเนี่ยฮะมันก็มีสองตัวอวิชาเป็นสมูทยัยตัณหาเป็นสมูทยัย2องอย่างเนี่เขามีอำนาจมีบทบาท ที่อิงอาศัยกันแต่ว่ามีพลังกลงแง่มีพลังกลงแง่คืออวิชชาทำให้เข้าใจผิดทำให้ไม่รู้ความจริงอวิชชาชอบตัญหาเลยชอบผิดอยากผิดอวิชชาอยากตัญหาอยากอาวิชยาละเอียดตัญหาละเอียดเขาช่วยกันอย่างนี้แล้วก็พอตัญหาชอบผิดแล้วอวิชชาก็ครอบซ้าลึกเข้าไป เขาช่วยกันอย่างนี้อัญญามัญญาปัจจัยกันอย่างนี้จึงถือว่าเป็นสมุทัยอาริยสัจอย่างกรณีเรื่องสมุทัยเนี่ย่ปฏิจจาคือถ้าพูดถึงในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่เป็นอีอย่างนึงอีกมันมีที่หนึ่งที่เราคงไม่ได้คัดมาว่านี่เราพูดอยู่ในขอบเขตของเล่มเล่มที่หกนะที่ท่านตรัสว่ า, าแสดงอริยสัจสี่พอมาพูดถึงสมุทัยเป็นอย่างไหน ในในในพระไตรปิฎกเล่มนั้นกล่าวว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยเกี่วิญฉาจนถึงชราโมนะนี่แหละเรียกว่าทุกขะสมุทยัยนี่อธิบายอริยาศาส์ความมาถึงสมุทัยแล้วแทนที่จะพูดว่าชาติเป็นทุกอตัณหาสามอย่างที่คุณนะ่ะพูดเป็นปฏิจจาเลยปฏิจจาสายเกิดว่าเป็นสมุทยัยก็ผมก็หวังว่าเมื่อเราจบในส่วนตรงนี้ไปนะแล้วเรายังไม่ท้อแท้กับเรื่องปฏิจจานี้ ก่อนที่เราจะตายไปก็อยากอยากคนแล้วก็ลองเอาปฏิจจานมาเกลี่ยกันให้ชัดๆสักทีนะนะดีกว่าปล่อยให้มันคลุมเครือเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่แล้วก็เชื่อตามๆกันอย่างไม่ไม่ได้ดูหลักฐานเป็นที่อย่างอินะเนี่ยก็อยากจะเสนอคำท้าทายไว้อย่างนี้ว่าต่อถึงอีกในยันหนึ่งที่ที่กำลังพูดถึงสุติ ก, กาเนี่ยนะ กายและนามรูปอันนี้จะเห็นว่าได้แสดงย่นย่อแทนที่จะไปกระจายเป็นลำดับลำดับนั้นท่านเรียกองค์บางบางส่วนเนี่ยอยู่ในคำว่ากายและนามรูปนะฮะออไอ้ตรงนี้แหละฮะว่าเวลาเรากระจายองเนี่ยว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรียกนามรูปเรียกว่ากายนี้เนี่ยเวลาถอดออกเป็นองสิบสองแล้วเนี่ย มันเป็นองค์นั้นบางโอนนี้บางคุมกันอยู่แต่มันรวมอยู่เรียกอยู่สั้นๆว่ากายว่านามรูปเพราะนั้นกายและนามรูปตรงนี้จึงหมายถึงปฏิจจ์องค์อื่นๆที่เป็นผลผลอันนักเนื่องมาจากวิชาและตัญหาตรงนี้เราจะยังไม่บอกในครั้งนี้ครับให้ตั้งข้อสังเกตทั้งนั้นไว้แล้วก็ทรงรวมผัทธกับสลายตนะที่จริงเนี่ยมันก็ของติดกันละ่ะ สลายตนาเป็นปใจใัจจัยเกิดผัสสะนั้นผัสสะยตนะผัสสะที่เกิดร่วมอยู่กับอยัยตนะนี่แหละแสดงว่าเป็นองค์เดียวกันไม่แยกเป็นสองเหมือนอย่างที่แสดงโดยองค์เต็มแล้วก็สุขและทุกข์เกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นก็มาแสดงอยู่ตรงอามาสุดสุดสรุปจบอยู่ตรงนี้ไม่ได้แสดงสื่อต่อไปก็เนื่องจากว่า จุดมุ่งหมายของการสแสดงปฏิจจยอย่างย่นย่อเพื่อตอบรับกับที่มาของการเทศนาถ้าเขาพูดถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยก็จะพูดให้ความสำคัญหรือขโมดพรมตรงสุขทุกข์อีกในอันหนึ่งอยู่ในสูสีเก้าเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละตาแหน่งกันอวิชาและตัณหาเป็นองค์หนึ่งกายคเป็นองค์หนึ่งนี่นี่เป็นกายเฉยๆแล้วครับตรงนี้นะหมายถึงวิบาขัน วิบากที่ปรากฏจากกิเลสและชาติชรามรณะชาติชรามรณะความจริงก็เป็นวิบากเหมือนกันและทุกข์ด้วยเนี่ยคือเป็นวิบากที่ปรากฏชัดด้วยความรู้สึกว่าน่ารังเกียจถ้าเราพูดว่ากายผู้นามรูปนี้ยังไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อใดเรารู้ว่ากายและนามรูปนั้นมีอาการอันาน่ารังเกียจ เราก็าจะเกิดความรังเกยียจและเห็นเป็นปัญหาเหมือนอยังบอกว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์จึงหน่าเบื่อหน่ายท่านเลยเลยถอดออกมาให้เห็นเป็นช่วงๆจากตัวมาเป็นอาการในต่อไปในสูตรที่ห้าสิบเอ็ดแสดงองค์ไว้3สามอวิชชาสังขารวิญญาณ สูตรยี่สิบห้าในต่อไปอวิชาสังขารแล้วก็สุขทุกข์ก็เป็นปฏิจจาแบบสั้นๆนะครับก็คืออวิชาเป็นกิเลสสังขารเป็นกา ร, รสุขทุกข์เป็นวิบากถ้าสูตรก่อนหน้านะครับอวิชาเป็นกิเลสสังขารเป็นกา ร, รวิญญาณเป็นวิบากอีกเนี่วิญญาณเนี่ยมันหมายถึงตัวหลักของชีวิตตัววิบากจิตส่วนสุขทุกข์เนี่ยเป็น คุณค่าในความที่เราได้วิญญาณได้ชีวิตนั้นมาอย่างไรสุขและทุกข์เราก็มีสุขมีทุกข์คล้ายๆว่าเราเองเมื่อพูดถึงชีวิตเนี่ยเราก็พูดเราทำไมคุณภาพชีวิตถึงเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วบางครั้งเราพูดเราทำไมชัตาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้คือมีสุขมีทุกข์อย่างนี้มันก็เกี่ยวเกี่ยวกันอยู่นะก็ยกอันไหนขึ้นมาก็สามารถที่จะสแสดงปฏิจจะไปเน้นตรงจุดนั้น ถ้าพูดถึงในปุเพนิวาณะสามสตินี่ท่านก็จะตรัสว่ามีคติเป็นอย่างไรนะมีคติเป็นอย่างไรก็หมายถึงมีวิญญาณเป็นยังไงคุณภาพทางจิตเป็นยังไงสภาพชีวิตเป็นยังไง อ, อมีอาหารมีสุขมีทุกขอย่างไรนะนี่ครัมันก็เกี่ยวกับชีวิตนั่นแหละการมองคุณค่าชีวิตการให้คุณค่าชีวิตในตัวเราเนี่ยมันมีหลายมุม บางทีเราก็เห็นแก่สุขแก่ทุกข์เห็นแก่อยู่ไปวันวันหรือเห็นแก่คุณภาพชีวิตเห็นแก่ความสวยความงามต่างๆนี่ปะปนกันหลายอยา่างแยกเป็นหลายการณีในรายละเอียดนะเอาละเรามาดูปฏิจจที่แสดงเริ่มจากสังขารแสดงโดยนำเอาสังขารเป็นตัวหลักแล้วก็แสดงไม่ครบองค์ ก็แสดงว่าเจตนาวิญญาณนามรูปสลายธนาปัสสาเวทนาตนาอุปาทานภพชาติจาเจลามน่ะก็จะเห็นพระองค์หลังๆนี่เหมือนกันก็นับแล้วเนี่ยก็เหลือสิบเอ็ดองค์อะเจตนานั้นแท้ที่จริงก็คือสังขาร น, นั่นเองใช่ไหมไม่ได้พูดถึงอวิชชาก็คือสูตรพวกนี้น่ะบางทีเขาต้องการาคือท่านต้องการจะแสดงเริ่มที่กรรมแสดงเริ่มที่กรรมก็ยกสังขารขึ้นมาเป็นตัวแสดงว่าพระเราปรุงแต่ง ตามกรรมอย่างนี้ชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้แม้ในสูตรถัดไปสูตรสี่สิบองนั้นกลับย่อเข้าไปอีกครับแสดงเจตนาวิญญาณแล้วกระโดดมาตัณหาก็คือว่าไอ้วิญญาณกับตัณหานะวิญญาณเป็นปัจจัยแกตัณหาได้ไอ้ตรงนี้แหละถึงว่าเราเองจะต้องพูดถึงความสัมพันธ์ในทางเหตุปัจจัยว่า องคไหนเป็นองค์ไหนเป็นปัจจัยแก่องค์ไหนแน่และเด็ดขาดตายตัวไหมหรือว่าข้ามองค์ก็เป็นปัจจัยข้ามกันได้เงี้ยมันเปนเรื่องมันเป็นมุมยากนะแต่ว่าเราพูดกันเข้าใ จ, จได้เพราะเวลาเราเอามุระเอาสังขารมาตั้งเนี่ยสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญ ญ, ญาณได้ในแง่ใดแล้วสังขารเป็นปัจจัยแก่ตัณหาไหม มันก็เป็นได้เราเรียนอภิธรรมเราก็รู้ว่าคนที่ทำบุญทำบาปแล้วเกิดความพอใจในบุญมันก็ได้นี่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ถ้าได้แล้วทำไมพระพุทธเจ้าแสดงปฏิจจ ա บางทีกระจายมาแบบนี้บางทีกระจายมาข้ามขั้นตอนแบบนี้อันนี้คือมุมยากที่ที่เราจะต้องพูดกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับชื่อก็ยังเป็นเชื่อปกติขององค์เจตนานั้นเปลี่ยนจากสังขารไปบ้าง สังขารเป็นชื่อตัวองค์แต่เวลาอธิบายแล้วครับางทีก็พูดก็ได้เกเียรเจตนาอินญานเป็นชื่อองค์ตันหาเป็นชื่อองค์ปกติพอมาถึงคติตันหาอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบใช่ไหมล่ะตันหาก็อุปาทานองค์ธรรมเนี่ยสแสดงรูปกขาเป็นอันเดียวกันได้และเป็นปัจจัยแก่พบก็คือคติพบคือคติรมไปถึงชาติด้วย เสร็จแล้วก็คติก็เป็นปัจจัยให้เกิดจุติและอุบัติอากลายเป็นอย่างนั้นไปกหมายความว่าเมื่อบุคคลได้มีคติจุติมีตายจะต้องมีต่อไปแล้วเมื่อตายมีการเกิดใหม่ก็มีเรียกอุบัติคือการเกิดใหม่พัวพันต่อไปอีกก็ <c oughs> คือตายก็ทําให้เกิดให ก่อนหน้านี้พอเกิดทำให้ตายแค่เพีเป็นปัจจัยแบบจางๆอ่อนๆไปอย่างเข้าใจได้ด้วยสามัญตํนึกธรรมดาแล้วก็ชาลาชาติชาลาแล้วมรณะก็มีต่อไปอีกนี่อุบัตมีการเกิดมีการเกิดใหม่อยู่ในองค์เดิมแล้วชาติชาลามรณะเร า, าก็ต้องเวียนว่ายแต่เกิดไม่พ้นจากชาติชาลามรณะไปอีกอทีนี้ในสูตรสามสแปด เจตนาวิญญาณปูนับภาวะแล้วก็ชาติจรามอนนะคำว่าปูนับภาวะเคยได้ยินคำว่าปูานับบังไหมปูณับนังคือเกิดเกิดแล้วเกิดอีกอะ่ะปูนับภาวะเนี่ยก็คือพบใหม่พบใหม่อีกพบใหม่อีกคือเกิดอีกนั่นแหละเมื่อมีวิญญาณการเกิดใหม่ก็มี วิ ญ, ญญาณปฏิสนธิพบใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อมีพบใหม่เกิดขึ้นความมีชาติชรามรณนะก็ชื่อว่าไม่พ้นไปได้มันก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยเขาก็เกี่ยวเกี่ยวกันอยู่นะว่าพบกระชาติอะไรทรายเนี่ยจุดมุ่งหมายของการแสดงก็มีอยู่ต่อไปครับเรื่องที่วิญญาณแสดงมโครบงศ์สิบสองอีกเช่นเดียวกัน วิญญาณ น, นามรูปสลายนาปาาัสสเวทนาตนาอุปาทานภพชาติเจลาหมอนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตร64วิญญาณ น, นามรูปสังขารปุนณปุณังชาติเจลาหมอนะโสกะทุลีทุรีทุลีที่แปลว่าละอองข อ, องแป๋กเปื่อนไม่ใช่ละอองน้ําละอองเกสรดอกไม้แต่หมายถึงละอองทุลีที่ทําให้แป๋กเปื่อนสร้างหมองทุลีตัวนี้แปลว่าสร้างหมอง อุปายาตนี่อยู่ในองค์เดียวกันทั้งหมดยาวเหยียดไม่ก็คือว่าเมื่อมีพบใหม่เนี่ยก็ไม่พ้นไปจากชาติรามมรณะโสกธาุรีและอุปายาตสูตรนี้แสดงที่อินยานเพราะว่าที่มาของเรื่องเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากที่จะอธิบายได้ชัดเจนว่าสูตรใดเริ่มที่ตรงไหนเพราะอะไร ที่มาคนฟังมีส่วนเกี่ยวั้งนั้นบางทีเข้ามาถามว่าวิญญาณนี่เป็นของใครเวลาแสดงก็เนีปัญหาอยู่ตรงนั้นก็ต้องแสดงตรววิญญาณอีกสูตรหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเริ่มที่นามและรูปแล้วก็แสดงสลายธนะเลื่อยไปจนถึงชลามระ สองสูตรนี้เราจะเห็นว่าสูตรแรกเนะี่ยนามรูปเชื่อมต่อกับสลายยตนะนี่ถือตัวเป็นปกติพอมาสูตรหลังเนี่ยครับนามรูปเป็นปัจจัยเกี่ยวิญญาณอนี่เป็นเป็นข้อแตกต่างกันเลยเพราะว่าปกติในวิญญาณเป็นปัจจัยเก่นามรูปตัวนี้นามรูปเป็นปัจจัยเกี่วิญญาณคือท่านจะบอกว่าไอ้สองอย่างนี้มันเป็นอนัญญบัญญัติปัจจัยกันได้ อย่างที่ได้เคยพูดแล้วแต่เวลาแสดงอย่างนามรูปเป็นปัจจัยแก่วิญญาณก่อนเนี่ยก็กล่าวถึงนามรูปก่อนอันนี้ต้องอธิบายเป็นเชิงสภาวะพระพิธรรมอย่างที่เคยอธิบายแล้วว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่ตัวปฏิสนธิวิญญาณด้วยและวิญญาณก็ที่มาปฏิสนธิเนี่ยก็ทำให้นามรูปปรากฏขึ้นด้วย เป็นอัญญามัญญาปัจจัยกันอย่างนั้นในสูตรนี้ท่านยกนามรูปขึ้นเป็นประธานก่อนทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยบางทีเราพูดในทางพระวิธีธรรมรายละเอียดแล้วเราก็อาจจะต้องนึกถามว่าแสดงอย่างนี้แล้วได้อะไรขึ้นมานะแสดงแบบละเอียดยิบ่างนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาถ้าจะให้ตอบอย่างสั้นที่สุดก่อนก็คื อ, อเป็นการกระจายกลุ่มกองกลุ่มกองของนามรูป อย่างเป็นเชิงเหตุปัจจัยอย่างละเอียดยิบมีผลต่อการตัดกระแสของความสําคัญมั่นหมายโดยความเป็นอาตาัตราความแข็งขันแข็งแรงของนามลูกจะได้ตรงนี้มากและคนที่จะรู้สึกต่อตรงนี้ได้ดีคือคนปฏิบัติครับคนปฏิบัติจะได้ตอบรับความรู้สึกอันนี้ได้ดีกว่าการฟังในเชิงทฤษฎีซึ่งฟังแล้วมันเหมือนเป็นกำปั้นทุบดินไม่ได้อะไรขึ้นมา แต่คนปฏิบัติเนี่ยเวลาเขาแยกเขียนเนี่ยปัจจัยอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ่ะเขาจะมองได้อย่างได้ความรู้สึกมากและมีผลต่อการคืนคลายยีเล็ดมากความรู้สึกที่มันแหลมอะไรมาแต่ละนิตละหน่อยเนี่ยละเอียดเหลือเกินเพราะฉะนั้นอภิธรรมกับวิปัสสนาเนี่ยเป็นของคู่กันวิปัสสนาอภิธรรมเป็นถือเป็นคู่มือของอารมณ์วิปัสสนาได้อย่างดี เป็นเครื่องสร้างสำนึกของวิปัสสนาได้อย่างดีคืออภิธรรมถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงวิปัสสนาแล้วก็ฟังดูแล้วมันมันมันจะคลาย ค, า ย, คายเป็นเหมือนเป็นปักยาเป็นแนวความคิดไปเสียเหมือนไม่เป็นประโยชน์อย่างที่บางคนคิดกันนั้นก็ต้องไปหารสชาติมาจากในนั้นว่าต่อไปถึงข้อหกที่ ตรุ่มที่หกเนี่ยนะที่แสดงปฏิจจ ա ไม่ครบเริ่มที่สลายยตนะเริ่มที่สลายยตนะปัสสเวนะยตนาตาลาทานพระชาติช า, ชาลามอนนะไอ้ตรงนี้นะฮะเป็นการแสดงที่บางครั้งท่านเริ่มจากมุมปฏิบัติมุมปฏิบัติว่าไอ้เราจะเกิดทุกข์จะดับทุกข์เนี่ยก็เพราะอายตนะของเราแล้วก็พูดโยงเข้าไปเข้าสายปฏิจจะตรงช่องนี้ เพราะฉะนั้นการเจาะช่องในแง่ปฏิบัติก็ดีเจาะช่องในแง่ของการสร้างสัมมาทิฏฐิก็ดีเราเข้าทั้งช่องต่างๆได้จึงฉะนั้นว่าคนปฏิบัติโดยในปฏิจจะเนี่ยอาจจะขมวดปฏิจจะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติแบบย่อบแบบพิสดารได้จังนะแต่ถ้าเป็นพิสดารเนี่ยทำได้ยากบางทีมันไปได้ตอนหลังได้ตอนหลังหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยทําแบบเริ่มที่อัตนะเป็นคร่าวๆก่อนนะ แล้วไปขยายที่หลังขยายไปก็นาหาหาอาวิชชาขยายไปทางอื่นหาองค์อื่นๆขยายภายหลังแล้ว ก, ก็การขยายการปรากฏตัวของปฏิจจ์ในทางปฏิบัติเนี่ยให้ทราบไว้ว่ามันไม่ได้ปรากฏตัวแบบเป็นแถวเป็นแนวอย่างในเชิงปริยัติเวลาปริยัติเนี่ยจะปรากฏตัวหรือทําครั้งแรกเนี่ยจะต้องเกาะแนวก่อนลาวไว้ก่อนแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ย มันจะผุดขึ้นมาแบบสับสนแต่คนเห็นเนี่ย Lean, ตั้งตั้งค่าได้หมายถึงตั้งระยะตั้งให้ความสำคัญได้ไว่าตัวนี้มันมีความสำคัญอยู่ตรงไหนตรงไหนไง น, นะแต่เวลาเขาปรากฏปรากฏแบบสั บ, บสนผมผมพูดงี้จะพอนึกได้แค่ไหนไม่ราบคือคนที่เมื่อปฏิบัติถึงขั้นลึกเนี่ผมพูดกำลังพูดอย่าง ปฏิจจะจะมาแบบไม่เรียนคิวแบบไม่เข้าคิวแบบสับสนแต่คนกําหนดเห็นเนี่ยให้ค่าถูกเหมือนเห็นคนมานั่งเนี่ยเอามานั่งฟังพระพุทเจ้าเทศน์เต็มหมดเนี่ยท่านมองพับในรู้ลเลยว่าใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองให้มาไอคนไหนจะมานั่งสเสนอหน้าอะไรใกล้ก็เบอร์เบอร์รออยู่ดีไม่สําคัญคนที่หลังอะไรเงี้ยนะท่านท่านก็มองออกอย่างงี้ใครสําคัญไม่สําคัญรู้เลยไม่สับสน ด้วยทีนี้ไอเราเนี่ยเวลาทําครั้งแรกมันต้องเรามีความสับสนมากเราต้องพึ่งทฤษฎีที่ไม่สับสนเยอะใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยตอนนี้เราพยายามทําไม่ให้สับสนแต่อีกหน่อยเราพูดสับไปสนมาเราก็ไม่สับสนไม่ด้วยเพราะว่าเราอาศัยทฤษฎีเบื้องต้นช่วยทําให้เราไม่สับสนก่อนนี่คนปฏิบัตินี่เป็นอย่างนี้จะเห็นนามรูปอย่างสับสนและตัวไม่สับสนจะเรียนอะไรก็ตามถ้าคนเก่งจริงต้องอย่างเงี้ย เห็นในเรื well. Hell, ่องสับสนแล้วก็ตัวเองพ้นความสับสนเห็นเรื่องขัดแย้งแล้วพงความขัดแย้งมองแล้วก็แยกแยกในในมโนทัศน์เนี่ยเป็นส่วนๆได้อ้าเราเนึกอคิดดีผมว่ามันคล้ายๆกับเราคุยกับคนพูดสับสนคิดสับสนเนี่ยถ้าเราไม่คุมตัวให้ดีนะเราสับสนตามเขาไปเลยครับโหมั่วไปเลยรู้สึกอะไรแต่ไรตามเขาไปเลยแปลว่า สมรรถาภาพของความมีระเบียบทางอารมณ์ทางแนวความคิดเราเนี่ยติดแคดานตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราคุยคนสับสนเจอคนสับสนเราไม่สับสนเรายังยืนแล้วเข้าใจยังอารมณ์ก็ไม่เคลื่อนไม่คลาดเนี่ยนะแต่ว่าเราเหมาะที่จะคุยกับคนสับสนไอ้เนี่ยมันปฏิจจานึงจะปรากฏคล้ายๆอย่างนี้เพราะว่าไอ้ชีวิตเรานี่เนื้อแท้มันสับสนนะพระพุทธเจ้ามาทําให้สับสนเพื่อว่า เห็แก่เราว่าเรามันยังไงมันก็หัวเนื้อแทมก็สับสนความคิดก็สับสนเราจะทําให้เขารู้ความไม่สับสนอย่างไม่สับความสับสนอย่างไม่สับสนเนี่ยต้องสร้างทฤษฎีให้ไม่สับสนเราถึงจะเข้าใจเข้าถึงความสับสนว่ามันไม่สับโดยไม่สับสนเวลาท่านพูดในทางสภาท่านบอกว่าปฏิจจานี่สับสนยุ่งเหยิงนะชีวิตเราคือปฏิจจานสับสนยุ่งเหยิงก็พูดอย่างนี้ ทีนี้ถ้าบองเออมันสับสนเราก็พูดแบบสับสนๆนนลอยไปกันใหญ่เลยก็ไม่เห็นให้ความสำคัญความเกี่ยวโยงของปฏิจจแต่ละองค์ก็ดูประเด็นเดิมในสูตรถัดไปที่วองสลายชตนะตาตันหาอุปติแล้วก็ชะลาานะในจะเห็นว่าอุปธิเนี่ยความจริงก็คือพบมันก็คือปุณปุนังอะไรพวกนี้แหละครับ คือนามรูปนะคือกายนะั่นแหละเรียกวิบติวิบากอุปติไป็นชื่อวิบากตัววิบากคือนามรูปชราโมรณะเป็นอาการของอุปติที่เจ็ดกลุ่มที่เจ็ดนะก็มีอยู่สองสูตรเท่านั้นนะครับผัสสะแสดงเริ่มที่ผัสสะในข้อสูตรสององค์ปรากฏว่าสูตรหกสิบสองแสดงผัสสะถึงเวทนาอยู่มีอยู่สององคะ เป็นการแสดงปฏิจจายอย่างย่อที่สุดแล้วก็ปฏิบัติง่ายที่สุดผัดสาเวทนากระทบรู้สึกกระทบแล้วรู้สึกเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าทําตามปฏิจจารแล้วนะกระทบแล้วรู้สึกกระทบแล้วรู้สึกเนี่ยเป็นเลยเชอย่างบางแห่งที่ทําเวทนานุปัสนาอะไรเงี้ยอันเนี้ยแต่ว่าเวลารู้เนี่ยค่อยๆขยายองค์ ไม่ได้รู้อยู่แค่2ององค์นี้ที่พิสดานไปหน่อยคือปัสสาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติก็ไปจบที่ชาไม่ได้พูดถึงจรามรณะต่อไปสาหรับในสูตรนี้ต่อไปกลุ่มที่แปดเริ่มที่ตัณหาตัณหาเป็นหลักไม่ครบ1ิ่สององค์เหมือนกันครับตัณหาอุปาทานภพชาติจรามรณะตัณหาอุปาทาน อ, าอุัธิและจราหมรณะอ่า เริ่มที่ตัณหานี่ก็ที่จริงก็กง่ายนะดูดูที่ตัณหากําหนดที่ความอยากของตัวเองที่ว่าอยากเนาะ อ, อยากหนอะนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะสงสยัยถ้าทำทำแล้วตัณหาไม่เกิดทำํำไงมันไม่ใช่ว่าจะต้องดูสายเกิดนี่ใช่ไหมมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ไม่รู้ว่ามีแล้วก็เราก็ไม่ต้องกลัวว่าตัณหาจะไม่เกิดแล้วไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ตัณหายังมีให้เรา กำหนดอีกเยอะพ้นตันหาตัวนี้ไปก็ไปเจอตันหาตัวใหม่แล้วก็จะถ้ากำหนดอย่างนี้จะเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องตันหาเชี่ยวชาญเนี่ตันหาดีตันหาอนาคตตันหาเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเชี่ยวชาญมาก่เหมือนอย่างเนี้ที่ตรัสว่าทำไม่จึงทรงห้าม ผู้ปฏิบัติไม่ให้ฟังเพลงอันนักากิตาวาทิตะนั่นแหละวิสุกาทัศนะที่จะ เ, เป็นอันตรายของพระมจานร์เนี่ยนะเพราะอะไรท่านก็บอกเลยว่าเพราะว่าเป็นเครื่องแสลงอินทรีสังวนชัดเลยคน ฟังเพลงพ้อนรำขับร้องในอินทรียสังวรเสียหมดจริงไหมไอ้ยิงจังหวละล้วร้อนก็ยิงเสียมากหน่อยอย่างเต้นรำอะ่ะใช่ไหมละ่ะดูคเหมือนกันเนี่ยเขลืมตัวอินทรียสังวรเสียฟังก็เสียสทางหูก่อนนะแล้วก็ขาแข็งไปด้วยกระดิกเท้ากระดิกมือเคาะโน่นกคาะนี่ทําให้อินทรียสังวรเสียนี่ท่านบอกไว้เลยนะในในพระสูตรเรียกว่ปฏิปักษ์สูตร ทำที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นปฏิบัติกับกุศลธรรมอะไรตัวไหนเพราะฉะนั้นขณะปฏิบัติเนี่ยต้องต้องระวังเรื่องนี้หรือผู้ที่มีอาชีพปฏิบัติเนี่ยต้องเลิกสิ่งเหล่านี้โดยเด็ดขาดถึงถึ ง, ถงจะดีไม่งั้นมันทําลายมูลของกุศลธรรมเพราะเมื่ออินทรีย์ทั้งบอลไม่มีเนี่ยศีลก็เสียหายเมื่อศีลเสียหายอย่างอื่นก็เสียหายลามไปตามลำดับก็ยังไงก็ ถ้าจะไปปฏิบัติก่อนล่วงหน้าสักเดือนเนี่ยผมขอว่าอย่าฟังเพลงอย่าดูละครอย่าอะไรแต่ไรไม่งั้นแล้วก็มันจะไปโทรทีทวีจะติดไปเรื่อยอิดไปนึกถึงเสียงเพลงจะไปก้องเ ข, ข้าหูเราเนี่ยนะแล้วถ้าชอบเต้นรำด้วยแล้วบางทีก็โอ้ยเต้นตามไปด้วยแขนขาจะทําท่าจะขยับปากเปิดจะพูดจะผิวออกมาโดยไม่รู้ตัวเราก็ก็ไม่ได้จะขาดคอเรื่องอย่างนี้ทีเดียวนะ แต่ว่าเราก็รู้ทางนี้ทีไรจริงงกวงจิ้งเวลาให้เป็นทําได้แค่ไหนก็แล้วแต่อ่าเราไปดูประมวลโดยเทศนาวาระอีกประเด็นแล้วนะเมืเ่อกี้องค์ให้ได้รู้ว่าหน้าตาเป็นไงแค่นั้นถือว่าท่านได้บรรลุความสําเร็จของประเด็นนั้นแล้วประเด็นนี้กําลังจะกล่าวถึงเทศนาวาระว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาวาระเนี่ยเทศนาวาระเนี่ย ที่พูดถึงนี้ยังไม่ได้หมายถึงลีลาตวัดไปตวัดมาตามเนื้อสูตรนะแต่หมายถึงตัวปฏิจจ์ในแต่ละชุดเนี่ยเมื่อทรงแสดงจากไหนไปไหนจากไหนไปไหนแบบเป็นส่วนๆไปคือพูดแบบปัดตอนแต่ว่าไม่ได้ยกสูตรก็ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้คือในส่วนที่แสดงอวิชชาถึงชรามนละเนี่ย จะทรงแสดงอย่างครบกระบวนที่สุดครบกระบวนหมายก็ว่ากระบวนการเทศนาเทศนาอย่างแรกนี่ผมไปหยิบชื่อมาจากอัตกถามาใส่ให้ที่เรียกว่าอาทิปริโยสานะสมุทยาวาระอนุโลมเทศนาอาทิปแปลว่าอะไรเป็นต้น หมายถึงองค์ต้นนะปริโยาสารแปลว่าอะไรคําเดียวคืออวาสารแหละถึงที่สุดรอบก็คือจบองค์สุดท้ายองค์จบหือองค์สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคําว่าอาที่ปริโยาสารนะเนี่ยให้นึกไว้ก่อนว่าหมายถึงการแสดงองค์ต้นไปจนถึงองค์สุดท้าย สมูทัยาวาละสมูทัยแปลว่าเกิดคือสายเกิดว า, าละแปลว่าสายสายเกิดก็คืออวิชาทําให้เกิดสังขารอย่างอื่นเกิดตามไปตามลําดับถ้าแสดงว่าอาวิชาทําให้สังขารเกิดเนี่ยนี่คือแสดงสายเกิดแล้วก็จับตั้งแต่องค์ต้นไล่ไปจนถึงองค์สุดท้ายคือชาติเกิดทําให้ชรามรณะเกิดจึงเรียกว่า อ น, อนุโลมเทศนาเนี่แปลว่าเทศนาตามลําดับตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่องค์ต้นจนจบโดยเป็นสายเกิดก็พูดแบบภาษาไทยง่ายๆอีกครั้งหนึ่งว่าอาที่ปริโยสานาสมุทตยาวาระอนุโลมเทศนาคือเทศนาตามลําดับตั้งแต่องค์ต้นถึงองค์จบเป็นปฏิจจาสายเกิด สายสมูทยก็เลยต้องเขียนเป็นลูกศรตามลาดับอวิชชาเป็นปะจัยแก่สังขารเป็นลำดับลำดับไปจนถึงชลามรณ ะ, สะแสดงไว้หลายสูตรครับจากนั้นอีกสูตรหนึ่งที่ได้อ่านมาแล้วก็เหมือนกันครับ ส, สายเกิดอวิชชาจนถึงทุกขเหมือนกันอีกเทศนาหนึ่ง เป็นอนุโลมเทศนาเหมือนกันคือเทศนาตามลาดับตั้งแต่องคแรกจนองคหลังจึงกล่าวว่าปริโยสารอาทิปริโยสาระนิโรทวาระอนุโลมเทศนาถามว่าสองวาระนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันที่สายเกิดกับสายดับพวกสองเป็นพวกสายดับคือตรัสว่าเพราะอาวิชชาดับด้วยสำลอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ นี่ก็เป็นโดยทั่วไปว่างั้นเมื่อสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณดับนามโลกจึงดับจนถึงชาติและทุกขจึงดับโดยชาติชรามรณะจึงดับนี่เป็นสายสายดับคือในพระสูตรเนี่ยที่แสดงจบด้วยทุกไม่มีที่แสดงแบบนี้นะ คือถ้าถ้าไปดูหน้าสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะฮะที่เป็นที่มาของตรงเนี้ก็จะเห็นว่าสายดับท่านไม่ได้พูดว่าเพราะวิชาดับจนถึงทุกดับท่านไปดับด้วยด้วยการแสดงว่าศรัทธาเกิดจากทุกไปจนทั่งถึงอิมุตถึงขยะขยะยานนะนั่นคือสายดับเลยไม่ได้แสดงว่าอาวิชาดับสังขารดับจนถึงทุกดับไม่มีตรงนี้ ในในในประสมไม่มีนะก็ก็อย่าได้อย่าได้งงแล้วก็ผมจะไปใส่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราใส่ตามที่ที่ท่านแสดงไว้ยังไงก็แสดงแสดงหน้าตาให้ดูอย่างนั้นแต่ถ้าบังเอิญถ้าจะทรงแสดงก็แสดงได้แต่ท่านไม่แสดงไหวเราก็ไม่แสดงแถมนี่จะเก่งกว่าท่านไปเมื่อเป็นข้อมูลนีิราเพื่อนจากนั้นก็มาในที่ชื่อว่าปริโยสานอาอธิสมุตยาวาระปฏิโลมเทศนะ ลองแปลดีครับมันกลับกันที่คําหน้าปาริโยสานาแปล ว, ว่าองค์จบองค์สุดท้ายอาทิองค์ต้นก็คือแสดงจับจากองค์สุดท้ายย้อนทวนขึ้นไปหาองค์ต้นถามว่าเป็นสายเกิดหรือสายดับสายเกิดตรงนี้เป็นสายเกิดนะนี่ก็คือสัดว่าชาราและมรณะเกิดเพราะชาติเกิด หรือาลามรณะมีพระชาติมีหรือฉราานาอาฉลาและมนณะมีพระชาติเป็นปัจจัยแล้วก็สวนขึ้นไปตามลําดับครับหรือคือตรงว่าสวนขึ้นไปย้อนลาดับไปจนถึงอวิชชานี่ก็แสดงไว้าหลายสูตรนะอ่าสำหรับในมุมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปฏิบัติในแง่ของการรู้นะทรงรู้จากสายจากจากหลังไปหาหน้า จากองค์ท้ายไปหาองค์ตนที่ค้นพบปรากว่าโลกถูกชลาชาติชลามรณะถูกชลาและมรณะโสกาลิเทวะเผาผ่านตกอยู่ในชาติในชลามรณะโสการิเทวะชาไหนาหนอโลกจึงจะพน้นจากชลามรณะโสกาลิเทวะทุกขโทรมรณะไปได้ ก็พิจารณาว่าเพราะชาติเกิดจากอะไรอะเพราะชรามณนี่เกิดจากอะไรก็ควรพบว่าชาติเพราะนั้นจะจะพ้นจากยามาต้องพ้นจากจากชาติต้องดับชาติเนี่ยก็ส่งคนคิดจากความกรุณาผู้อื่นแล้วก็ก้นเข้ามาตืบขึ้นไปตามลาดับเพราะว่าปฏิจจ์องค์หลังในถือเป็นองค์หยาบเนียเป็นปฏิจจ์องค์หยาบกับองค์ต้นอันนี้ผมก็เคยพูดแล้วว่า แล้วเราตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราควรจะมาย้ำดูคนอีกทีมันยาบยังไงละเอียดไงแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนนี้พูดพอให้นึกได้ว่าเราพอจับอวิชชาในละเอียดถูกไหมน้าพูกวละเอียดพูดแล้วก็ใหจ่ยากยากอิน ญ, ญาณละเอียดละเอียดทั้งตัวสภาวะละเอียดทั้งความเกี่ยวโยงในเชิงเหตุผลกันด้วยฟังแล้วก็มดุดสนิทแล้วก็ค่อยๆลึงเลยๆมาจีชักหยาบ อยากจนถึงชร า, ามรณะโศกรีเทวะโอ้มันก็วัยชําหยาบจนรู้สึกว่าหยาบมากไปดีกว่าหยาบมากไปต่อว่าทันว่าเฮ้ก็แหมชาติชร า, ามรณะมันน่าจะปนๆกันแล้วทําไมพราะเกิดมึงมีชร า, ามรณะโอ้มันก็ง่ายๆในเรียนมากๆาาก็จะว่าหยาบง่ายเกินไปกําปั้นทุกเดือนเกินไปอะไรเงี้ยกลายเปนอย่างนั้นตีกันนะแต่ว่าไอ้เวลาที่เราจะกําหนดเห็นเนี่ย เราก็กาหนดย้อนนี่จะเห็นไงจะไปดูอวิชาเลยดูไม่ออกถือเป็นของอวิชาในเป็นภาวะละเอียดนะเป็นศัตรูที่ซ่อนตัวอย่างมิดเมนมากเราถึงดูไม่ออกเราจะเห็นเป็นภัยก็จะเพาะไอ้ภัยหางแถวที่เป็นกากเป็นเดนเป็นสิ่งหลงเหลือหรือเป็นอันตรายของมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่ยเราก็รู้สึก แต่เวลารู้สึกเนี่ยรู้สึกอย่างคนปฏิจจายังไม่ได้รับการขัดเกลาวพัฒนาเนี่ยการเห็นปฏิจจา ย, งยางนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังปฏิจจะเส น, นี้คือเวลาที่เราปลาลบเจลามมานาทุกเนี่ยปลาลบอย่างคนไม่ปฏิบัติตามในปฏิจจา ย, งยางถูกต้องเนี่ยนะเพิ่มพลังปฏิจจะถูกไหมอย่างว่าเพราะตีนที่บอกว่าเพราะเรามี ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วก็อยากมันก็มีอยากโดยสมอยากก็ก็สมอยากแล้วก็เวลาไม่สมอยากก็เกิดความเป็นทุกข์เป็นร้อนใช่ไหมเวลาสมอยากก็เกิดความยึดมั่นชอบอกชอบใจอาสวะถึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับความเล่นกับความแก่ไม่เป็นเล่นกับความตายไม่เป็นอย่างคนทั่วไปเวลาตายในเล่นกับความตายไม่เป็นเจ็บก็เล่นจะเจ็บไม่เป็น แกก็เล่นกับแกเป็นเลยเป็นผู้รู้ปฏิจจะอย่างมิจฉาปฏิปท า, าเลยปฏิจจะขยายตัวนี่ถ้าทำมาตั้งหลักรู้ใหม่เหมือนไอ้ทุกเนี่ยตั้งหลักเป็นแล้เกิดศรัทธาพราะทุก์ถ้าไม่เป็นก็คือไอ้ทุก์ในแทนที่จะเกิดศรัทธากลับไปรังเกียดนลนี่ปฏิจจะสายดักก็เลยไม่เกิด แล้วทำไงดีผมดูในกาจะบ่ายโมงแเนี่ยต่อไปหน่อยได้ไหมให้ใ ห, ให้ประเด็นบบรีประเ ด, ดีหน่อยนะอ่าต่อไปครับอีกสูตรหนึ่งยี่สิบสามแสดงทุกแล้วก็ชาติพบอุปาทานตัณหาเวทนาปัสสาสะสานะนามรูปวิญ ญ, ญ, ญาณรังขานวินแล้วก็อวิชาอ่าอันนี้ก็ สูตรยี่สิบสามที่แสดงกล่าวย้อนจากหนึ่งถึงยี่บสามตัวนี้เวลาแสดงจริงในในนี้มิได้ เ, เดี๋ยวขอโทษอะเราเราย้อนไปดูนิดหนึ่งมาเป็นสายสายเกิดแสดงนะแต่ว่าสายดับไม่ได้แสดงเราจะเห็นว่าสายเกิดเนี้ยว่าทุกมีพระชาตินี่คือสายเกิด แต่สายดับมิได้แสดงสำหรับอวิชชาถึงทุกนะสายดับไปแสดงเป็นข้อธรรมทางกุศลหมดแต่แสดงสายเกิดแบบตามลำดับยอดลำดับตรงนี้มีก็ให้เข้าใจตามนี้ด้วยครับไ ม, ไม่ผมพูดมาทีแรกไม่ได้ดขัดกันอ่า ไปดูต่อไปครับปาริโยสานอาอธินิโรทวาระตรงนี้แหละครับจึงไม่มีปฏิจจาที่แสดงอวิชชาถึงทุกข์มาอยู่ในนี้ด้วยเพราะเหตุว่าสายดับไม่ได้ทรงแสดงด้วยคำว่าอาวิชชาจนถึงทุกข์หรือจากทุกข์ถึงอวิชชาสายดับไม่มีแสดงแต่สายเกิดอนุโลมปฏิโลมแสดงแต่สายเกิด ถึงอวิช า, าวิชาถึงทุกเนี่ยนะแสดงแต่สายเกิดสายดับไม่ได้พูดว่าเพราะเอาวิชาดับไปจนกระทั่งถึงทุกดับันไม่มีหรือทุกจะดับได้เพราะชาติดับไปจนถึงอวิชาดับมไม่มีปริโยสานะแสดงจากเบื้องปลายเป็นถึงอาทิเบื้ององต้นนิโรทวาระสายดับและเป็นปฏิโลมเทศนาแสดงอันนี้เป็นปฏิโลมเทศนา จึงมีแต่แบบเดียวนี่พูดถึงที่มีองค์ครบสิบสองสำหรับองค์อื่นที่แสดงองค์แบบไม่เต็มวาละในการแสดงก็ไม่เต็มฮะคือไม่ได้เต็มสมบูรณ์เป็นสี่อย่างเหมือนอย่างองค์สนะิบสองฮะแสดงให้เห็นว่าองค์ที่แสดงเต็มเนี่ยก็คืออวิชาถึงชราหมรนะแสดงพลิกแพงเป็นสี่อย่างครบหมด สำหรับอาวิชาถึงทุกเนี่ยแสดงองค์วาระไว้แค่สามไม่มีวาระสี่ดูทันไหมครับในผมพูดพูดเนี่ยนะนึกๆตามด้วยสำหรับองค์ที่ไม่เต็มเนี่ยวาระที่แสดงก็บกพร่องมากบางน้อยบางไปตามความเลือกได้ก็คือรูปแบบไม่ครบถ้วนสวยหรูทั้งองค์และทั้งวาระของการแสดง ก็คงต้องให้ดูซะให้ดูเองซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูนำสักนิดหน่อยนะอย่างเช่น อ, อ, อวิชชาเป็นองค์หลักแลแสดงไปถึงองค์อื่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสมุรทรยานีโลดทวารและอนุโลมเทศนาะคือสายสมุทรไทยแล้วก็สายดับอยู่ด้วยนะครับที่ที่คัดมาเนี่ยเป็นอนุโลมเทศนาะจากอาวิชชา ไปจนถึงสุขและทุกข์แล้วก็อีกสูตรหนึ่งอาวิชาและตัณหาไปจนถึงชาติลาภมรณะอีกสูตรหนึ่งอวิชาสังขารวิญ ญ, ญาณอวิชาสังขารชาติเนี่ยก็มีแสดงตามลําดับถ้ามีขีดทับนี่แปลว่าสายดับนะเราไม่แยกเรามาปนกันทั้งสายเกิดสายดับมาปนกันไว้ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าเนื้อหาไม่เยอะแล้วก็อวิชาสังขารสุขทุกข์ ไอ้ถ้าถ้าลูกสอนชี้ไม่มีขีดตัดก็เป็นสายเกิดสมุทัยวาระแล้วก็แสดงสายดับก็คืออวิยาสังขารสุขทุกมีเส้นตัดอันนั้นก็เป็นสายดับแล้วก็มีสายสมุทัยวาระปฏิโลมเดษนาสายสมุทัยที่แสดงแสดงกลับคือจับจากอาวิชาย้อนขึ้นไปหาอจาจจับจากตัณหาครับย้อนขึ้นไปหาอาวิชยาไม่เป็นสายเกิด สายดับโดยรูปแบบอย่างนี้ไม่มีก็ไม่ได้ทำอะไรไว้เพิ่มเติมนะก็แสดงตามเนื้อหาที่ประสูตรริพูดไว้สังขารก็เหมือนกันนะสายสมุทยัยสายนิโรธวาระอารม์เดศนาจับจักเจตนาย้อนขึ้นไปเไม่ใช่ย้อนนะตามลำดับตามลำดับจากเจตนาไปถึงชรามรณะจากเจตนาถึงชราเมรณะสายดับ มีเครื่องหมายตัดเจตนาวิญญาณตัณหาคติจุติอุบัติชาชะลามอนะสายเกิดเจตนาวิญญาณตัณหาคติจุติอุบัติชาชะลามนะนี่สายสายดับแล้วก็สุดท้ายก็คือเจตนาวิญญาณปุณพภาวะชาชะรามอนะนี่สายเกิดแล้วก็สสแสดงแบบสายดับก็มีเครื่องหมายตัดนะก็ว่าอย่างนี้วิญญาณก็เหมือนกันนะสมุทัยนิโรธวาละนะี่จะคัดมารวมกันไว้เป็นที่เดียว ก, กัน ก็มีสายเกิดสายดับแล้วก็สมุทัยวาระปฏิลมเทศนาคือแสดงย้อนแบบสายเกิดจับจากชลามรณะขึ้นไปหาวิญญาณแล้วก็พลิกไดูแสดงนามรูปสมุทัยนิโรธวาระอนุลมเทศนาก็จับจากนามรูปสายเกิดไปถึงชราเมรณะสายดับก็จับจากนามรูปว่านามรูปดับสลายยตนะเป็นต้นจนถึงชราเมรณะก็ดับ แล้วก็นี้โลกทวารละปฏิโลมอนุโลมตัวนี้สายดับเหมือนกันครับแต่ว่ามีทั้ง เ, เ, เป็นปฏิโลมแต่แสดงตามลำดับคืออตรงนี้มันต้องต้องเป็นเดี๋ยวดยวูสายสายสา ย, ายมันสายดับทั้งคู่นะที่มีเครื่องหมายตัดทั้งคู่นะ แล้วก็ปฏิเอาปฏิโลมหมายถึงย้อนอันแรกย้อนอันหลังอนุโลมอมันมันบังเอิญมาแสดงคู่กันก็เลยคําพูดต้องอ่านติดกันออันแรกเป็นสายดักแบบปฏิโลมอันหลังเป็นสายดักแบบอนุลมออนุโลมเทศนาที่เรารู้ว่าปฏิโลมเพราะว่าแสดงจากชรามนนะจนถึงปัญญาแล้วก็อันหลังก็ อนุโลมสายดับอนุโลมก็คือนามรูปดับกิญญาณดับไปจนถึงชรามรณะดับ <c oughs> อันนี้ก็มันมันพ่วงบวกกันมากหน่อยก็เลยอาจจะทำให้เปล่าสับสนไปบ้างสำหรับสลายตนะที่เริ่มโดยสลายตนะนะฮะสมุททยนิโรธก็พูดทั้งสายสมุททยสายนิโรธแต่ว่าเป็นอนุโลมเทศนาทั้งหมดก็คือสลายตนะ ทำให้เกิดปัสสาจนถึงชลามรณะแล้วชลายตระนดับปัสสาดั บ, ดบจนถึงชลาและมรณะดับค่ากรณีอีกอย่างหนึ่งคือสมุทัยวาระปฏิโลมเทศนาสายเกิดแต่แสดงแบบปฏิโลมชลามรณะเกิดจากชาติย้อนขึ้นไปหาชลา ย, ยัตนะนี่เป็นสายปฏิลมนะ สายสมุทัยเหมือนกันแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งในต่างโดยรูปแบบคือชลามรณอุปธิตันหาและสลายยตนะนี่เป็นคนละรูปแบบกันคือบางรูปแบบเนี่ยท่านแสดงไว้อย่างเดียวในในี้ผมก็ไม่ไม่สามารถที่จะใส่ปฏิโลมไปให้เป็นของเพิ่มได้เพราะท่านแสดงไว้แค่นั้นความจริงเพิ่มเพิ่มก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าเทวดาลู้ผมลู้อยู่เท่ากับหลอกตัวเองเดี๋ยวนานๆเขาไปนึกไปหยิบมาอาเองเลยแล้วก็บอมีจริงๆก็ไม่มีทีนี้มาถึงผัสสะสมุทัยนี้โลดวาระก็คือทั้งสองสายครับมารวอยู่ด้วยกันเป็นอนุโลมเทศนาจากภาษาไปหาเวทนาแล้วก็สมุทัยวาระปฏิโลมเทศนาสายเกิดแสดงย้อน จากชาติขึ้นไปหาปัจจะแล้วก็ตัณหาที่เป็นองค์หลักในรูปแบบที่แปดนี่นะสมูทัยนิโรธก็คือแสดงทั้งสองแบบไว้ในกลุ่มเดียวกันเป็นอนุโลมเทศนาตัณหาเป็นใจแกี่ยวปาทานจนถึงชลาโมระสายดับก็แสดงตัณหาดับชลามระเป็นที่สุดก็ดับตามไปแล้วก็สาย เกิดตัณหาอุปทิชลามนณะสายดับก็ตัณหาอุปทิชลามนณะอันนี้บังเอิญท่านสแสดงคู่กันไว้ก็คัดมาคู่กันทําให้ปรากฏไว้เอาละสี่ตรงนี้ผมว่าพูดซะดีกว่านะซะหน่อยพูดซะหน่อยแล้วก็คราวหน้าเราได้ขึ้นประเด็นอื่นหรื อ, อยังไงเรื่อเอาไว้เอาฮะเอาไว้เหรอโอ้โ ทำท่างเงียบๆกันดีผมว่าไว้ดีกว่าเอาไว้คราวหน้ามาต่อหน้าหลังกันได้อธิบายมีน้ำไมโน่นขึ้นนิดนึงวันนี้ก็อพอสมควรเก่บเวลานะครับ อ, อย่าลืมว่าคราวหน้านะฮะยังมีมีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ไม่มาเนี้ยก็จะเชิญอาจารย์บรรจบมาบรรยายคำพีวิมุติมะ แต่ก็คงจะไม่ได้อธิบายพิสดารอย่างวิสุทธิมรร ค, าคบายคงจะอธิบายเป็นข้อสังเกตเก็บเทียตอว่าเป็นเครื่องเสริมวิสุทธิมรรคด้วยแล้วก็คงจะมีตำราพิสุทธิมรรคมาจัดวางจำหน่ายช่วยให้ท่านที่จะซื้อหาได้ได้ง่ายก็จะบอกแค่นี้นี่ก็ผมก็ยังไม่ได้ติดต่ออาจารย์มจงเนือ่องยว่าท่านไปไปทาไปเอางานไปส่งบริญญาเอกที่อินเดียแล้วก็จะกลับวันที่สุมา คืนนี้กลับไปก็จะต้องโทรโทรติดต่อท่านน่ะล่ะอ่าก็เข้าใจว่าน่าจะมาได้ซึถ้ามาได้ก็จะมาแล้วก็นึกว่าจะจะมีบางอาทิตย์ที่อาจจะเป็นปาตกราสาปตะบัลลีแบบให้ความรู้อะไรบางอย่างคืนนี้สักอาทิตย์หนึ่งนะฮะบรรใหญ่เรื่องวงการปราตะบัลลีวงการตำลุต ำ, าตำราทางปาตะบัลี แล้วก็จะมีอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าถ้าไปได้ก็อาจจะเชิญคุณเจ้าของเบนท์ทองหลอง่อเห็นไปออกทีวีพูดดีเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในเชิงธรรมะเนี่ย ม, มาฟังสักครั้งหนึ่งคุณอะไรละ่ะสามีคุณไก่ค่ะคุณว ส, สันโพพิมันแมนพูดจานหนาฟังก็ก็จะได้มีอะไรหลายหลั ค, คือพวกเราเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันต้องพวกคอทองแดงฟังเรื่องเผลนๆไม่เป็นเรื่องเป็นราวหลักวิชาแล้วก็คอพักคออ่อนต้องฟังเรื่องเข้ ม, ขมๆดีกรีสูงๆถึงจะตาสว่างขอเจิญแผ่เมตตาสักนิดหนึ่งนะฮะ